เราทุกคนเกิดมา ก, ก็ต้องการมีความสุขกันแต่ความสุขที่เราหากันมักจะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าเราไม่มีความรู้ความฉลาดที่จะแยกแยะว่าความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขแบบไหนที่มีความทุกข์ตามมาเราเลยมักจะไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมากันเพราะมันเป็นความสุขที่หาได้ง่ายที่หากันทุกคนหากันแบบเดียวกันก็เลยคิดว่าเป็นความสุขซึ่งเวลาได้มาใหม่ๆ ก็มีความสุขกันแต่พออยู่ไปอยู่ไปความสุขที่ได้มันค่อยจางหายไปแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา มันเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมได้มีการหมดได้เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันเสื่อมไปเวลามันหมดไปความสุขที่เราได้จากมันมันก็เปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปด้วยนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเรามีกันทุกวันนี้ ทุกพ้อไปหาความสุขกันไปหาสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแล้วเราก็ต้องมาทุกกับสิ่งที่เราได้มาเพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยากจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยากจะให้มันให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่มัน ไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้กันพอมันไม่เป็นตามที่เราอยากได้เราก็เสียใจไม่สบายใจทุกข์ใจกันนี่แหละคือความทุกข์ดมความทุกข์มันไม่ได้มาหาเราเราไปหามันเองเพราะความไม่ฉลาดของเราเพราะไปเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่ามันเป็นสุขเพราะไม่เห็นว่ามันไม่จีรังถาวร ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราได้มันมาเป็นเจ้าของของมันได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องจะพัดพากจากกันไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของใครไปได้ตลอดแม้แต่ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราเองก็จะไม่เป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปถ้ายังไม่ตายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแกะชะ่ชรา พอมันแก่มันเก็บไข้ได้ป่วยมันก็ทำให้เราทุกข์ใจกันคำว่าเรานี้คือใครเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ได้มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติชิ้นแรกของเราพวกเราทุกคนอยากได้ร่างกายกันเพราะอะไรเพราะว่าใจของพวกเราทุกคนมีความอยากหาความสุข ผ่านทางร่างกายกันพวกเราทุกคนอยากดูอยากฟังอยากริมรสอยากดมกลิน่นอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นน็อดผงถพรชนิ ด, ด, ต, ดต่างๆเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นน็ดที่เราชอบก็นนจะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นน็ที่เราไม่ชอบ ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เรา <c oughs> ไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นเราจะคิดแต่ส่วนที่เราชอบส่วนที่เราอยากได้กันเราไม่เคยคิดว่านอกจากจะได้สิ่งที่เราชอบแล้วเราก็จะต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยพอเราไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจกันขึ้นมา เพราะเราไปหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีทั้งส่งสวนที่เราชอบและส่วนที่เราไม่ชอบและมันเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไปห้ามไปบังคับมันไม่ได้จะจะเอาแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันก็มีสิ่งที่ไม่ชอบติดมาด้วยเช่นกินปลาเราก็อยากจะกินแต่เนื้ออย่างเดียวเนื้อปลาเราไม่อยากจะกินก้าง แต่บางทีมันก็มีก้างติดมาด้วยแล้วถ้าเราไม่ระวังกินไปก็อาจจะถูกก้างตํำคอต่ำปากได้อันนี้ก็เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่เราหามาให้ความสุขกับเราก็เป็นเนื้อปลานี่แนะแต่เป็นเนื้อปลาที่มีก้างติดมาด้วยถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่รู้จักระมัดระวังรู้จักคอยหลีก การที่จะไปให้ก้างม า, ามาตาปากตามคอเราถ้าเราไม่ระมัดระวังเดี๋ยวเราก็ต้องถูกก้างตามปากตาคอสิ่งต่างๆที่เราหามาเพื่อให้ความสุขกับเราก็มีความทุกข์เป็นเหมือนก้างปลานี่แหละติดมาด้วยถ้าเราไม่ฉลาดเดี๋ยวก็เราก็ต้องทุกข์เราก็ต้องเจอความทุกข์กันแต่ถ้าเราฉลาด เราก็จะหลีกเลี่ยงความทุกได้แต่ความฉลาดแบบนี้ยากต่อการที่จะรู้ขึ้นมาเองได้ต้องมีคนฉลาดที่จะมาสอนมาบอกเราว่าวิธีที่จะทำให้เรานั้นไม่ต้องมาถูกก้างตามปากกินเนื้อปลาแบบแม่ก้างตามตาปากนี้กินอย่างไร ถ้าไม่มีคนฉลาดมาสอนให้เรามีความสุขกับสิ่งต่างๆที่เราหามาได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆนั้นทำอย่างไรถ้ามีคนฉลาดเขาก็จะสอนวิธีให้เรารู้ว่าเราต้องระมัดระวังเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าสิ่งที่เราได้มานี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันใดคืนวันใดวันหนึ่งก็อาจจะจากเราไปก็ได้วันใดวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากเปลี่ยนเป็นมิตรมากลายเป็นศัตรูก็ได้จากเปลี่ยนเป็นสุขให้มากลายเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนมีความรู้มีความฉลาดเวลาที่เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เราจะได้มีความระมัดระวังไม่เผลอที่จะหลงไปคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะเป็นของเราไปตลอดเนี่ยอันนี้เป็นความประมาทเป็นความหลงถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราหามาได้นี้จะให้ความสุขเราไปตลอดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันจากเราไป จะเป็นของเราไปตลอดถ้าคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเรากำลังขาดความรอบครอบขาดความฉลาดแล้วเราจะต้องเจอก้างตาปากอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะความเป็นจริงเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมมีการตายหรือมีการจากกันไป พอมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมมีการจากไปความสุขก็เสื่อมไปจากไปพอสูญความสุขไปความทุกข์ก็เข้ามาทิมแทงหัวใจของเราแต่ถ้าเราคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความสุขที่เราสิ่งที่เราได้มาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขชั่วคราว เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีอันเปลี่ยนไปมีอันเสื่อมไปมีอันหมดไปถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้เตรียมตัวรับ ก, กับความจริงเวลาที่มันเกิดเปลี่ยนไปนถึงแม้จะทุกข์ก็อาจจะไม่ทุกข์มากถึงกับเสียหลักบางคนถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาเจอความสูญเสียเจอการพัาดพลาจากสิ่งที่รักไปเนี่ บางทีถึงกับเสียสติไปเป็นคนบ้าไปก็มีหรือไม่ฉะนั้นก็ฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะนี้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่ได้มานี่มันจะต้องมีอันเปลี่ยนไปมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะไม่เป็นตอนที่เราอยู่ก็ได้แต่ก็ต้องเป็นตอนที่เราจากมันไป ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆไปหมด <c oughs> ถ้าเรามีความรู้แบบนี้คอยเตือนใจสอนใจเวลาเกิดเหตุการณ์สูญเสียเหตุการณ์พัดพามันก็จะไม่ทำให้เราทุกแบบที่เสียสติหรือทุกแบบต้องค่าตัวตายไปแต่ยังไงยังไงก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะว่าเราอาศัยเขาเป็นเหมือนลมหายใจ พอไม่มีลมหายใจมันก็ต้องทุกข์ร่างกายเราอาศัยลมหายใจเวลาช่วงไหนที่หายใจไม่ได้เช่นมีควันพิษนี่เราก็จะรู้ว่า อ, อไม่สบายแล้วไม่หายใจไม่สะดวกหายใจไม่สบายดังนั้นถ้าเรารู้ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องทุกข์ต่างกันตรงที่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อย ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจคอยสอนใจไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆให้พร้อมที่จะเสียสิ่งต่างๆไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องเสียความทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่มันจะไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้เสียสติหรือทำให้ถึงขั้นที่อยากคิดตัวฆ่าตัวตายหรือให้ไปทำบาปทากรรมอะไรต่างๆ ที่ยิ่งเพิ่มความทุกข์เพิ่มความเสียหายให้เกิดขึ้นมากขึ้นไป응ก็เราก็จะทุกข์น้อยหน่อยแต่ก็ยังต้องทุกข์อยู่เ응พราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีการจากกันไปดังนั้นถ้าเรา สอนใจเราเรื่องนี้บ่อยๆเข้าเราอาจก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายกับความสุขแบบนี้กันความสุขที่ต้องคอยระมัดระวังคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปาถนารากฏขึ้นมาเกิดการสูญเสียเกิดการพลาดพาคจากกันไปเกิดความผิดหวังหวังจะได้อะไรจาก เขาแล้วผิดหวังไม่ได้ตามที่หวังก็จะทำให้เกิดความเสียใจได้ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็อาจจะเบื่อเบื่อกับการหาความสุขแบบนี้มันก็อยากจะทำให้เราอยากจะหาหาหาความสุขแบบใหม่ <c oughs> เราอ า, อาจจะยังไม่รู้ว่าความสุขแบบใหม่มีหรือไม่เราก็ต้องอาศัยการค้นคว้า สอบถามคนนั้นคนนี้ดูว่ามีวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาทุกแบบที่เราทุกข์กันนี้ไหมถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้ไปเจอคำสอนของนักปราชญ์คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งคนพบวิธีหาความสุขอรูปแบบหนึ่งความสุขที่จีรังถาวรที่เที่ยงแท้แน่นอน ความสุขที่จะไม่กลายเป็นความทุกข์ความสุขที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดถ้าเราศึกษาถ้าเราโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วได้ศึกษาคำสอนอย่า ง, างจริงจังถ้ามาเจอพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาคำสอนเพียงแต่ทาตามขนบธม ร, รมเนียมประเพณีต่างๆ ก็จะยังไม่ได้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบคือความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่จีรังถาวรความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดถ้าเราเข้าหาศาสนาตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทำกันไปตามความเชื่อ โดยไม่ทราบสาเหตุว่าทำไปเพื่ออะไรเพียงแต่รู้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขเท่านั้นก็จะไม่ได้เข้าถึงในระดับที่เป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นระดับของเปลือกของศาสนาพิธีกรรมต่างๆที่เราทำกันนี้เป็นเรื่องของเปลือกของศาสนาเป็นการให้เราเข้าหาเนื้อของศาสนา แต่ถ้าเราไปเอาแต่เปลือกไม่สนใจที่จะเข้าไปหาเนื้อพอปอกเปลือกออกมาก็กินเปลือกเลยเพราะคิดว่าเปลือกนี้คือเนื้อของศาสนาก็จะไม่ไปกินเนื้อศาสนาเนื้อศาสนาก็คือคําสั่งคําสอนและการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของศาสนาอันนี้แหละที่จะเป็นเนื้อที่จะทําให้เราได้เข้าถึงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ความสุขที่จีรังถาวรไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดอันนี้ต้องเกิดจากการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ต้องน้อมนำเอาอไปปฏิบัติถ้าทาแบบพิธีกรรมนี้มันง่ายมาวัดก็ถวายข้าวของกล่าวคำถวายเสร็จกราบพระไหวพระสวดสองสามจบ ก็เสร็จพิธีก็ได้เปลือกไปแต่จะไม่ได้เนื้อก็ได้ความสุขระดับเปลือกก็ดีกว่ากินเปลือกแี่ดีกว่าไม่ได้กินอะไรแต่ถ้ามากินเนื้อแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้เปลือกนี้มันไม่ได้เรื่องเลยกินเนื้อนี้มันรสชาติอร่ออร่อยกว่าเยอะได้ให้ความอิ่มมากกว่าดังนั้นการที่เราได้พบกับาศาสนาแล้ว สิ่งที่เราควรจะทําก็คือพยายามเข้าหาเนื้อให้ได้สมัยนี้เปลือกมันมีเยอะไปที่ไหนก็จะเจอแต่เปลือกเสื้อเป็นส่วนใหญ่การที่จะเข้าไปหาเนื้อนี้อาจจะหายากหน่อยต้องใช้ความพยายามก็ขอให้รู้แล้วกันว่าศาสนานี้เป็นเหมือนโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาเป็นที่ให้ความรู้ที่จะสอนให้เรา าหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่จีรังถาวรความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดเราต้องเข้าหาคำสอนเพื่อเราจะได้รู้วิธีสร้างความสุขแบบนี้ขึ้นมาเมื่อเรารู้จากวิธีสร้างแล้วเราก็ต้องนำออกไปสร้างเอาไปปฏิบัติกัน ยังพยายามถ้าเราอยากจะได้เนื้อหนังของศาสนาอยากได้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยพยายามหลีกพวกพิธีกรรมต่างๆอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่มันเป็นเปลือกนะถ้า <c oughs> ไปลหลงไหลติดกับเปลือกนะมันจะไม่ได้ไปกินเนื้อให้ไปหาเนื้อดีกว่าให้ไปหาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนื้อของศาสนา หรือผู้ที่จะนำให้เรา ไ, ได้พบกับเนื้อของศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองการที่เราให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนี่บางทีเราก็ยังไม่เข้าใจว่าถือสารณะนี้ถืออย่างไรก็คิดว่าให้กราบไหว้บูชากัน เราต้องไหว้พระไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์เข้ารบหนังสือพระธรรมคําสอนเก็บไว้ในที่สูงไม่ได้เอามาอ่านให้เอามาบูชาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือสาระอันนี้เป็นความเข้าใจผิดวิธีถือสาระของาศาสนานี้ไม่ได้ให้ถือด้วยการเข้ารบบูชาเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็ให้ทำเพราะว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างใหญ่หลวงเราควรที่จะยกย่องเทิดทูนท่านให้อยู่ในที่สูงเพราะเราจะได้ดิบได้ดีได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็เพราะคาสั่งคาสอนของท่า น, นการถือสาระในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คือการถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทาง เนเหมือนสมัยนี้เวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปทัวร์นี่เขามักจะมีหัวหน้าทัวร์พาหัวหน้าทัวร์จะรู้ที่ไปว่าไปที่ไหนถ้าเราไม่ตามหัวหน้าทัวร์เดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวแตกออกไปจากกลุ่มแล้วเดี๋ยวหาเดี๋ยวกลับไปโรงแรมไม่กลับไปที่พักไม่ได้ต้องเกาะติดไปกับหัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์พาไปที่ไหนก็ต้องตามเขาไปฟังหัวหน้าทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะพาไปเที่ยวที่ตรงนี้จะเล่าความสำคัญของที่ตรงนี้ว่ามีอย่างไรเป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรมีความวิเศษวิโสอย่างไรถ้าไม่มีหัวหน้าทัวร์ไปเที่ยวเองก็ไม่รู้เป็นอะไรไปดูก็งงมัยมันเป็นอะไรวะแต่พอมีหัวหน้าทัวร์ก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง พระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็เป็นเหมือนหัวหน้าทัวร์ที่จะพาเราทัวร์ในโลกของจิตวิญญาณในโลกทิพย์ในโลกที่จะจะพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ในโลกทิพย์พวกเรานี้เวลาตายไปนี้เราจะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์กันไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันถ้าเราไม่มีหัวหน้าทัวร์เราอาจจะไป ถูกคนหลอกให้ไปเที่ยวแต่ที่ที่ไม่น่าไปก็ได้แต่ถ้าเรามีหัวหน้าทัวร์เขาจะพาเราไปเที่ยวในที่ที่จเจริญหูจเจริญตาที่ไปแล้วจะเกิดความสุขต่างๆขึ้นมาอย่างนี่คือหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหัวหน้าทัวร์ทางจิตวิญญาณพวกเรานี้ตัวจริงแท้จริงของพวกเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เราอาศัยพาเราไปไหนมาไหนเราเป็นคนขับรถยนต์เราเป็นผู้ขับร่างกายนี้เป็นผู้ใช้ร่างกายนี้พาเราไปทำอะไรต่างๆตอนที่เรามาได้ร่างกายแต่ต่อไปร่างกายของเรามันก็จะต้องหมดสภาพมันจะต้องตายไป เวลาตายไปเราก็จะกลับไปอยู่ในโลกโลกทิพย์ในโลกของจิตของของจิตวิญญาณเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นร่างกายเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถใช้ล่างร่างกายถ้าเราท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ได้ เนพอเราอยู่ในโลกทิพย์เราก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้พาเราไปเที่ยวในโลกทิพย์การที่เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พาเราไปเที่ยวในโลกทิพย์หลังจากหลังจากที่เราตายไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนั้นเราก็ต้องสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราต้องไปเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตอนนี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะได้เอาความรู้เอาที่พระพุทธพระธรรมสั่งสอนเหล่านี้เป็นหัวหน้าไกด์เป็นพาผู้ที่จะพาเราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ต่อไปเพราะในโลกทิพย์ก็เหมือนในโลกที่เราในประเทศต่างๆที่เราไปเที่ยว แต่ละประเทศเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเขาก็มีที่ที่ไม่ปลอดภัยที่จะไปถ้าเกิดเราไม่มีผู้นำทางไปเราอาจจะหลงไปในส่วนที่เป็นอันตรายก็ได้ไปเจอแต่พวกโจรผู้ร้ายถูกจับลักลักคาดลักตัวฆ่าถ่ายไปก็ได้หรือถูกยี่ถูกป้อนถูกทำร้ายร่างกายก็ได้ถ้าเราไม่มีหัวหน้าทัวร์บอกเราว่า ไม่ให้ไปทิศไหนไม่ให้ไปที่ไห น, ไ ใ, หไไหนให้ไปที่นั่นที่นี่ถ้าเราไปเองนี่เดี๋ยวหลงทางได้ฉันไดเวลาที่เราจะไปท่องอยู่ในโลกทิพย์นี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางไปเดี๋ยวเราอาจจะหลงไปที่ที่เราไม่อยากจะไปก็ได้ที่ที่แทน ท, ที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์ ท, ที่ที่ปลอดภัยกับกลายเป็นที่มีแต่ภยัยอันตรายต่าง น, นี่คือประโยชน์ของพระพุทธพรธรรมพระสงค์ที่จะมีประโยชน์กับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะสอนให้เราหลีกเลี่ยงวิธีหาความทุกข์ต่างๆโดยการไม่ไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาแล้วก็สอนให้เราไปหาความสุขที่มีแต่ความสุขตามมา แล้วก็สอนให้เรารู้ว่าผลจากการที่เราหาความสุขต่างๆแบบนี้จะพาให้เราได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ตามที่ที่ต่างๆที่มีแต่ความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้ว เราก็จะไปสู่สุขคติไปสู่ที่ชอบไปสู่ที่ดีที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความทรมานใจต่างๆมาทิ่มแทงหัวใจของพวกเรานี่แหละคือการถือสาระนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจคือเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ให้ความรู้วิธีที่จะรักษาใจของเรา นำพาใจของเราให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบคือสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองที่เราเรียก่็ที่ชอบที่ชอบสุคติคือสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะปฏิบัติไปได้ในระดับไหนการปฏิบัติของเราการการะทาของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เป็นการสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆ ขึ้นมาในใจของเราพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะได้ใช้วิธีของพระพุทธเจ้าที่เราได้ล่ำเรียนมาที่เราได้สร้างมาเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปเราจะได้ไปอยู่ในที่สงบที่มีความสุขเป็นที่เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือ ความหมายของการถือศาละการเข้าหาศาสนานี้เป้าหมายของเราต้องไปที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะต้องไปแต่สมัยนี้เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเราก็เลยไปสร้างพระพุทธเจ้าเทียมขึ้นมาสร้างพระประธานขึ้นมาแล้วก็ไปคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้ากันพอเรามาถึงวัดเราก็ไปโบสถ์ไปกราบพระพุทธรูป เราคิดว่านี่แหละคือพระพุทธเจ้าต้องการอะไรก็ขอได้เลยก็เลยไปขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธรูปกันอยากจะได้อะไรก็ไปขอจากพระพุทธรูปพอได้ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาพออยากได้นู่นได้นี่ไม่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้เลยพอมากราบพระวัดนี้ไปจุดธูปเทียน ขอพรจากพระพุทธรูปองนี้เรากลับไปบ้านได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาโอ้ก็เลยมีความเชื่ออย่างฝังใจเลยว่าโอ้พระพุทธรูปนี้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าแล้วคนอื่นที่เขาไปขอเขาได้เหมือนเราหรือเปล่าได้เหมือนกันทุกคนหรือเปล่าหรือบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้หรือส่วนใหญ่ไม่ได้ได้แต่ส่วนน้อย แที่ได้นั้นก็ไม่ใช่เพราะว่ามาขอจากพระพุทธรูปหรอกมันจะได้อยู่แล้วพันดีจังหวะมันมาปลาขอจากพระพุทธรูปก่อนแล้วถึงได้ก็เลยไปคิดว่านี่แหละเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปเป็นการถือสารณะจากในพระพุทธเจ้าก็ให้ถือแบบนี้กันอันนี้เป็นการหลงทางเพราะสิ่งที่พระพุทธรูปที่ให้เรา ก็ยังเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอยู่ดีเราอยากได้เงินอยากเราอยากได้เงินพอกลับไปบ้านทาันถูขหวยเลยโอหวยอกอกก็ดีใจได้เงินรางวัลมาอพอได้เงินมาก็ใช้สิมีเงินก็ซื้อข้าวซื้อของอยากจะได้เลยซื้อไปไม่กี่วันหมดแล้วหมดแล้วทีนี้ก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้ะไม่มีเงินใช้ นี่ไม่ไม่ได้เป็นความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวเดียวความสุขตอนที่ได้เงินมาพอได้เงินมาก็เอาไปใช้หมดใช้หมดก็ต้องกลับมาวาดอีกสิมาขอจากพระพุทธรู ป, ปแล้วงวดหน้าเดี๋ยวน้อง <laughs> ขอใหม่พองวดหน้าไม่ถูกอันทีนี้ก็ ต้องใจเย็ยนๆแล้วต้องรอไปก่อนนะยังไม่โทษพระพุทธรูปยังเชื่ออยู่ไม่กล้าทูดไม่กล้าโทษพระพุทธรูปกลัวบาปกลัวตกนรกอีกก็เลยถูกบังคับให้เชื่อเชื่อเลิกเชื่อไม่ได้แล้วถ้านเลิเชื่อหาว่าบาปใช่ไหมก็เลยต้องเชื่อไปไเรื่อยๆจะถูกไม่ถูกก็ต้องหลังไปไเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีก็ถูกขึ้นมาอีกอ้า แสดงว่าพระไม่ทอดทิ้งเรามันเป็นเรื่องของความบังเอิญที่มันจะถูกพอดีมายึดพระพุทธรูปเป็นที่พึ่งเป็นผู้ที่จะให้เราถูกอัเติเพราะเราถูกเราก็เลยนี่แหละเพราะเราเราได้ขอจากพระพุทธรูปมาเราถึงได้แต่เวลาเราไม่ได้เราก็บอกว่าท่านบอกให้เราใจเย็นๆรอรอไปก่อน เดี๋ยวก็ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะการการมีภาพประธานนี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนสร้างรูปเหมือนให้เราลำเลึกถึงพระตัวพระพุทธเจ้าที่ได้ตายจากพวกเราไปแล้วลการนํานึกถึงพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อให้เราลำเลึกถึงประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าให้เราลำเลิศถึง ความคำสั่งคำสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของคอําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาอันนี้คือหน้าที่ของพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเพียงแต่ เป็นตัวแทนองค์แทนเป็นเหมือนรูปภาพเช่นเรามีพ่อแม่ที่ตายไปเรายังคิดถึงพ่อแม่อยู่เราก็มีรูปถ่ายของท่านเราก็มีรูปแขวนไว้ในบ้านเวลาเห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็เกิดความสุขใจคิดถึงบุญคุณของท่านที่ละท่านเลี้ยงดูเรามาเอเราก็ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านะ แล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งท่านหรือว่าเรายังทำบุญให้ท่านได้อยู่เราก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านตามโอกาสอันนี้คือความหมายของการมีรูปเหมือนของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อไม่ให้เราลืมท่านนั่นเองไม่ให้ลืมพ่อให้ลืมแม่เพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรมาคอยเตือนใจ ชีวิตของเราวันวันหนึ่งมันวุ่นวายกับเรื่องทำมาหากินเรื่องกับวุ่นวายกับ ก, บการกําจัดความทุกข์บํารุงสุขให้กับตัวเราและครอบครัวของเรามันก็อาจจะทําให้เราหลงลืมผู้มีพระคุณไปการมีพระพุทธ ร, รูปก็เหมือนกันเพื่อให้เราไม่ได้ลืมพระพุทธเจ้าไม่ให้ลืมคําสอนคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่ให้ลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราเราต้องไปเรียนจาก คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วก็ตามแต่คำสั่งคำสอนที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้ยังมีอยู่ยังสามารถสั่งสอนให้เราได้พบกับความสุขที่ดีที่ประเสริฐที่ไม่มีความทุกข์ตามมาได้ทําให้เราไม่พ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรายังประชิญกันอยู่ในขณะนี้ได้นี่คือ เรื่องของพระพุทธรูปนะมีไว้สำหรับเตือนสติเตือนใจให้เราลำเลิกถึงความดีงามความประพฤติอันสวยงามของพระพุทธเจ้าให้เราลำเลิกถึงคําสั่งคําสอนที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติแล้วเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นตัวอย่างสอนใจเราพยายามประพฤติตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใหปฏิบัติและได้ปฏิบัติมานะ อันนี้แหละคือความหมายของสาระความหมายของที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้อยู่กับเราได้ไม่นานท่านก็เลยสร้างตัวแทนขึ้นมาสองสองตัวแทนนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมคำสั่งคำสอนที่จะมาตัวแทเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยังมีพระสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจนสามารถได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนก็เป็นผู้ที่จะมาทำหน้าที่สั่งสอนพวกเราแทนพระพุทธเจ้าได้เน yeah. เราจึงมีสารณะเป็นสามขึ้นมามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งคำสอนและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ที่จะมาทำหน้าที่สอนให้เราไปพบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ทำให้เราไม่ต้องเจอกับความทุกข์ไม่ต้องมีกับไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าทรงสั่งทรงสอนให้ปฏิบัติกระทอะไรถึงจะทำให้ได้พบกับความสุขต่าง พอเรารู้แล้วเราก็ไปทำกันเช่นพอเรามาวัดนี่เราก็จะทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันส่วนใหญ่จะทำในระดับที่ง่ายกันเป็นส่วนใหญ่ระดับระดับที่ยากนี้มักจะไม่ค่อยอยากจะทำกันระดับที่ง่ายก็คือระดับทานคือให้เรามาทำบุญทาทานแบ่งปัน มีข้าวของเงินทองต่างๆอย่าไปซื้อของต่างๆตามความอยากเพราะว่ามันจะเป็นความสุขแบบมีความทุกข์ตามมาเหมือนไปซื้อปลาที่มีก้างเอาเงินมาทาบุญดีกว่าจะได้ความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไปซื้อปลาที่เขาถอนก้างออกแล้วดีกว่ากินแล้วสบายใจไม่ต้องไม่ต้องคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีกินเนื้อปลาที่มีติดก้างนี้อาจจะถูกก้างตามปากตามคอเอาได้าการทําบุญนี่เป็นการซื้อความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาแต่การทาบุญาการการใช้เงินซื้อของต่างๆตามความอยากไม่ว่าจะไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆ หรือไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มตามความอยากความสุขเหล่านี้มันจะมีทุกข์ตามมาเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันจะไม่พอใช้นั่นเองเพอพอใช้แล้วมันจะติดมันอยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ความทุกข์ก็จะมาล้วสิพออยากจะซื้อนู่นซื้อนี่เหมือนที่เคยซื้อก็ซื้ อ, อไม่ได้ อยากจะไปเที่ยวที่นั่นทีน่นี่ตามที่เคยเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้นี่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเอาเงินที่เราไปซื้อของต่างๆนี้ไปทำบุญนี่จะไม่มีความทุกข์ตามมาเวลาไม่มีเงินทำบุญเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่รู้สึก ห, หงุดหงิดลาคาญใจเหมือนกับเวลาที่ไปอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที ي, ่ยวเวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนี้มันจะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเงา ว่าเวอแต่เวลาทําบุญแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปทําบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ไม่เดือดร้อนนี่เป็นขั้นขั้นต้นที่เราทํากันะถึงแม้ขั้นต้นพวกเราก็ไม่เข้าใจกันพวกเรากลับไปคิดว่าทําบุญแล้วจะทําให้เราร่ำรวยกันขึ้นมาอีกหรือถ้าเอ แต่คิดกันอย่างนั้นเลยว่าทําบุญแล้วจะมีแต่เหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเราจะไม่มีเหตุการณ์อไม่ดีเกิดขึ้นกับเราพอไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมาก็เลยทําให้เราลังเลสงสัยแล้วเสียว่าทําบุญแล้วได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าการทําบุญนี้ทําเพื่ออะไรเราทําไปตามเชื่อกันมาถามว่าทําบุญทําไมว่าทำไปเถิดดีทำแล้วจะรวยทำแล้วจะ ก้าวหน้าเจริญนุ่งเรืองอก็เชื่อกันแบบนั้นไปแต่ยิ่งทํายิ่งจนเนี่ยพรอเงินมันก็หมดไปเหมือนกันเวลาทําบุญมันมันก็ต้องใช้เงินทําเอพอทําเงินเงินมันน้อยลงไอ้กูทํามาถูกทางก็บ่าเนี่ยอ <c oughs> ก็เลยอาจจะเกิดความลังเลสงสัยอาจจะไม่มั่นใจอาจจะไม่อยากจะทําบุญแล้วก็ได้การจะที่จะทําบุญนี้ จะทำแล้วทำให้เกิดความสุขใจนี้เราต้องเห็นผลที่เกิดจากการทำบุญของเรา เ, ออเราการทำบุญนี่คือการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นเวลา ม, มีมีภัยทางธรรมชาติไฟไมออหม้หรือน้าท่วมหรือพายุ เรารวบรวมข้าวของเงินทองซื้อของจาเป็นไปบ่อยจากไปช่วยเหลือคนเนี่ยพอเห็นคนที่เขาเดือดร้อนได้รับการบรรเทานี่เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจทันทีรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาทันทีนั่นอันนี้แหละเป็นผลที่ไดจากการทำบุญทำทานแต่ถ้าเราไปทำกับสิ่งอื่นที่เราไม่เห็นผลนี่มันก็จะทให้เราไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไร เช่นถ้าเราไปทําเพื่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเนีบางทีเราไม่รู้ว่าสร้างไปทําไมกันมีไว้ทําไหมเราก็ทราบเพียงแต่ว่าเออดีสร้างไ ว, อองว้จะได้เป็นวัดเป็นศาสนาอะไรไปเท่านั้นเองแต่ทาโดยที่เราไม่เข้าใจไม่เห็นผลของของผลที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจสุขใจขึ้นมา อ, อ, อันนี้มันก็จะทําให้เรา ลังเลสงสัยหรือไม่มั่นใจในเรื่องของการทาบุญทาทานได้เนะี่ยฉะนั้นการทำบุญทาทานเราต้องรู้ว่าประโยชน์จากการเสียสระของเรานี้จะเกิดขึ้นกับใครจะเกิดเป็นในรูปแบบลักษณะไหนมีคนมีประโยชน์อย่างไรนะถ้าเรารู้แล้วเวลาเราทำเราจะยินดีทำาแ้ะเราจะมีความสุขว่าเราได้สามารถทำให้อะไรที่ ที่สามารถช่วยให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นได้ถ้าเรารู้ว่าทาแล้วมันทําให้เกิดความสุขเกิดความเจริญแก่ผู้รับมันก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสบายใจขึ้นมาอันนี้แหละคือการทําบุญต้องทําแล้วให้ให้เห็นผลทันตาบุญนี้ทําแล้วไม่ใช่ให้รอไปรับผลตอนที่เราตายไปแล้ว อันนั้นก็มีผลอีกส่วนหนึ่งอีกช่วงหนึ่งแต่เราสามารถรับผลบุญได้ตั้งแต่ขณะที่เราทำเลยพอเราช่วยคนยากจนคนนี้อดข้าวมาสามวันพอเห็นเขาเดินโซซัดโซเซมาสั่งกว๋วยเตี๋ยวให้เขากินพอเขานั่งกินอย่างหิวโซกินอิ่มแล้วเขายิ้มขึ้นมาเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเพราะเราก็ต้องมองมุมกลับใช่ไหมถ้าเกิดเราเป็นเขาบ้างเราจะรู้สึกอย่างไร อดอยากขาดแคลนมาแล้วมีคนมีน้ำใจสงสารซื้ออาหารมาให้เรารับประทานเรารับประทานแล้วก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาอันนี้แหละคือเรื่องของการทำบุญที่ถูกต้องต้องรู้ว่าเราทำแล้วเกิดอะไรขึ้นมาจากการที่เราทำ แม้จะทำกับสิ่งที่มันยังมองไม่เห็นผลแต่ถ้ามีคนมาอธิบายให้เราฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปมันก็จะทำให้เรามีความยินดีมีความสุขใจได้เช่น <Yeah. S 1> เวลาเราทำบุญกับศาสนานี่เราก็ต้องเข้าใจว่าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา <Yeah. S 1> ก็คือเราจะได้ได้รักษาศาสนานให้อยู่ต่อไปได้เช <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่นเราต้องเลี้ยงดูพระเนร พาว่าพระเนนี่เป็นผู้ที่จะมาสืบทอดศาสนามาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนเห็นผลจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็จะได้เอาผลนี้มาเล่าให้พวกเราฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างไรสอนให้เราทาอย่างนั้นจะได้ผลอย่างไรถ้าเราอยากได้เราทำตามเราก็จะได้ผลนี่คือ การทำบุญกับศาสนาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยของพระเจ้าให้อยู่ต่อไปในโลกนี้นั่นเองรักษาพระรัตนาตรัยให้อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไป ถึงแม้จะไม่ครบสามพระพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันกลับมาแล้วแต่ก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระธรรมคาสั่งคาสอนและมีพระอริยสงสาวกผู้ที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดเหมือนกับพระพุทธเจ้าถึงมถึงแม้จะไม่ได้ระดับเท่ากับพระพุทธเจ้าก็มีความรู้ที่ สมควรที่จําเป็นต่อการหาความสุขที่แท้จริงและการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็จะทําให้เรายังมีครูมีอาจารย์มีหัวหน้าทัวร์ที่จะคอยพาเราให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ที่ดีให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพาน ที่จะทำให้เราได้พบแต่ความสุขร้อยเปอร์เซ็นและจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้คือประโยชน์จากการทำบุญกับพระาศาสนาแต่เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่พระท่านต้องการให้เราทำนี้มันจำเป็นต่อาศาสนาหรือไม่บางทีมันไม่จำเป็นอ่ะสร้างไปทำไมเส้นสร้างโบสถ์ะใหญ่โตมโหฬารสร้างพระพุทธรูปองค์บ้เริ่มเทิม สร้างไปทำไมถ้าทาเป็นทางสายปฏิบัตินี้ท่านไม่ท่านไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ท่านจะสร้างสิ่งเท่าที่จำเป็นทางสายปฏิบัตินี้สิ่งที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสอนมีอะไรบ้างก็มีที่อยู่อาศัยกุฏิกระท้ออะไรไปพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ใช้ได้แล้วแต่ต้องเป็นที่สงบอันนี้เป็นตัวสำคัญ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลนี้จะต้องเป็นที่สงบเป็นป่าเป็นเขาถึงจะเป็นที่เหมาะต่อการบําเพ็ญต่อการบรรลุธรรมขั้นต่าง ๆ, ๆนี่คือสิ่งที่าศาสนาต้องการต้องการสถานที่สงบป่าเขาลําน้ำพรายต่าง ๆ, ๆ, ๆ ถ้ามีที่ไม่รู้จะทำอะไรไปปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าแล้วก็ถวายให้กับพระปฏิบัติไปท่านก็จะได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ ดาสิ่งที่ท่านต้องการก็ศาลาเล็กๆหลบแดดหลบฝนไว้ทํากิจกรรมที่จําเป็นคือการขบฉันหรือการมาประชุมฟังเทศฟังธรรมกันเท่านั้นะก็ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องวิจิตพิสดารไม่ต้องมีการเขียนภาพวาดฝาผนังมีนางฟ้าเทวดาทั้งหลายเต็มล้อมไปหมดไม่ต้องมีพระพุทธรูปองค์เขียวองค์แดงองค์ดําใหญ่โตมาประดิษฐานต้องเป็นโยกต้องเป็นอะไรต่างๆ หินองค์หินอ่อนอะไรอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อศาสนาพระพุทธรูปองค์เล็กๆก็ได้หรือผ้ารูปเล็กๆพระกระดาษชิ้นเล็กๆปะไว้ตรงหน้าท่านทูปเทียนก็พอแล้วพอให้นำเลิกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็พอแล้วอ่านนี้เป็นความจริง <laughs> ไม่ได้พูด นี่คือความต้องการของศาสนาเนี่ยต้องการที่สงบสงดนะที่ที่เป็นป่าเขาลำนาวพลอที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆแล้วก็มีกระท่อมเล็กๆพอหลบแดดหลบฝนได้มีที่เดินจงกรมมีที่อาบน้ำอาบท่ามีเข้าห้องน้าห้องท่าได้นี่ก็พอแล้วแล้วก็มีศาลาไว้สาหรับทำ เิดของพระคือเวลาไปบิณฑบาตกลับมาพาะปฏิบัตินี้จะมาฉันรวมกันอาหารที่บิณฑบาตจะเอามาแบ่งกันไม่ได้เป็นของใครของมันเป็นของพระทุกรูปจะมาแบ่งกันด้วยการเอามาจัดแล้วก็ส่งไปให้พระหัวหน้าเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปตามลำดับพรรษาบางวัดนี้ไม่ให้พิจารณาเองให้ช่วยกันตักใส่บาตรกันไปทุกคนมีเอาของมาแต่และ อย่างแล้วก็ตักเข้าไปในในแต่ละบาดบาทรัตัะพีตักไปเรื่อยอันนี้เพื่อป้องกันการเลือกที่รักมากที่ชังถ้าเลือกเองมักเดียวจะมักจะเลือกของชอบของไม่ชอบจะไม่เอาอย่างนี้ไม่ให้เลือกอย่างวัดป่าม้านตาอันนี้ท่านไม่ให้เลือกอาหารให้ส่งให้ให้หลวงตาหลวงตาตักเสจหลวงตาก็บอกเอาไปตักใส่บาทคนนัตะพีทัพีไปอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือก เพราะาอาหารมันเป็นอาหารเหมือนกันหมดกินก็ไปทำหน้าที่ได้เหมือนกันหมดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่าศาสนาต้องการคือเนี่ยที่อยู่อาศัยที่สงบมีกระสอบมีกุฏิเล็กๆพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้มีศาลาไว้ทำกิจกรรมได้ไม่จาเป็นจะต้องมีโบสถ์ไม่ต้องมีเจดีไม่ต้องมีวิหารมีอะไรไม่ต้องสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตมาโหฬาร สมัยที่หลวงตาอยู่นี่ในหลวงราชการที่๙ท่านก็มีความปรารถนาะอยากจะสร้างโบสถ์ถวายให้วัดป่ามัานตรานหลวงตาท่านก็ตอบปฏิเสธไปบอกว่าหลวงตาท่านไม่ไม่ต้องการที่จะสร้างวัดถาวรวัดเถอะท่านต้องการจะสร้างพระเพราะการสร้างโบสถ์นี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรในทางด้านปฏิบัติ มีโบสถ์ไว้ไว้สำหรับ ม, มีงานบวชเท่านั้นเองซึ่งงานบวชปีหนึ่งก็จะบวชกันไม่กี่ครั้งส่วนใหญ่โบสถ์จะกลายเป็นที่อยู่ของนกพิราบของสุนัขไปซะมากกว่าก็สร้างไปแล้วมันก็จะเป็นภาระกับพระเนนจะต้องคอยมาดูแลรักษาเวลาจะบวชก็ไปบวชที่วัดอื่นก็ได้โบสถ์มีเยอะแยะไปหมดทั่วประเทศแทบทุกวัดมีโบสถ์อยู่แล้ว สำหรับวัดปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีถาววแลวัตถุต่างๆที่ไม่จำเป็นมีเท่าที่จำเป็นแล้วก็มีที่บินทบาน ท, ที่มีศรัทธาญาติโยมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบาศให้กับพระเนรให้พออยู่พอกินได้ก็พอนี่คือสิ่งที่ศาสนาต้องการเวลาทำบุญกับศาสนา ถ้าเข้าใจว่าทำแล้วทำเพื่ออะไรจะเกิดประโยชน์อะไรมันก็จะทำให้เรามีความสุขใจเวลาที่เราได้กระทำเนี่ยแต่ถ้าเขาบอกให้ไปสร้างโบสถ์ใหญ่สร้างพ ร, พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ไม่ทราบว่าจะได้อะไรก็ได้สถิติได้ชื่อเสียงเดี๋ยวก็จะมีพูดทำสารคดีทำข่าวทำอะไรต่างๆไป ถ่ายสารคดีกันเอาไปประกาศให้รู้กันทั่วประเทศทั่วโลกแต่ประโยชน์ที่ได้จากการได้สิ่งเหล่านี้มาได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่เราต้องการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจากจากพระธรรมคำสอนหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกพระอริยสงฆ์สาวกนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวก ให้ศึกษาให้ปฏิบัติถ้าไปศึกษาปฏิบัติอยู่ในบ้านในเบื้องนี้มันมันบรรลุไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับปลูกข้าวบนก้อนหินอย่างนี้ปลูกข้าวบนก้อนหินนี่ยากต่อการที่จะให้ข้าวมันโตหรือออกออ ก, ออกดอกออกรวงขึ้นมาได้ต้องไปปลูกที่นาที่เนื้อเนื้อนาดีเนื้อ น, า, น, อนาบุญใช่ไหมเนื้อที่ที่มีดินดีน้ำดีปลูกปั๊บเดี๋ยว ยะข้าวก็จะเลื่อนงอกงามขึ้นมาเนี่ยพระอริยบุคคลที่ปลูกเพราะพระอริยบุคคลก็คือที่ที่วิเวกที่สงบนะที่เรียกว่ากายวิเวกพอกายวิเวกต่อไปจิตก็จะวิเวกจิตวิเวกก็คือจิตสงบจิตบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยเนี่ยกายวิเวกจิตวิเวก ต้องมีกายวิเวกมีสถานที่ที่อยู่ของร่างกายที่สงบสงัดวิเวกไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจไม่มีแสงมีสีมีเสียงถ้ามีแสงสีเสียงแล้วเดี๋ยวใจจะสั่นขึ้นมาเพราะใจมันยังมีกิลเลสอยู่ใจของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี้พอได้ยินแสงสีเสียงได้สัมผัสกับแสงสีเสียงแล้วใจมันจะฟุ้งขึ้นมาใจจะเครียดขึ้นมาใจจะอยากขึ้นมาแล้วจะทาให ไม่สามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แต่ถ้าไปอยู่ที่ห่างไกลจากเสียงสีเสียงมีแต่เสียงนกเสียงกาแบบนี้มันไม่บรบกวนใจภาพที่เห็นก็มีแต่ภาพของต้นไม้ใบหญ้าดูแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดก็จะทําให้ง่ายต่อการที่จะทําให้ใจสงบ ต, ต่อการบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้นนี่คือ พูดถึงเรื่องว่าถ้าอยากจะทําบุญกับศาสนาก็ให้ทําบุญกับศาสนาให้ถูกวิธีคือให้สร้างวัดป่าขึ้นมาเยอะๆให้มีวัดป่าวัดเขามีวัดที่สงบสงัดวิเวกมีสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องสนับสนุนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อท่านจะได้ ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์เบื้องต้นท่านก็ต้องทาหน้าที่ของท่านก่อนคือศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ท่านได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆก่อนพอได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถมีปริญญามีธรรมขั้นต่างๆนี้เป็นปริญญามาสั่งสอนพวกเราอีกต่อไปแล้วเราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําตรงกับความจริงทุกประการ ตามที่พระเจ้าทรงตัดสวากขาโตภะวตาธรรมโมเนี่ยทำของตถาคต น, นี้ตัดไว้ชอบแล้วคือถูกตั้งตามหลักความเป็นจริงทุกประการเพราะได้สัมผัสได้รับรู้ด้วยใจไม่ได้สัมผัสรับรู้ด้วยการความจําความรู้สึกนึกคิด ถ้าเราเรียนเฉยๆอ่านหนังสือเฉยๆนี้ยังไม่ได้เป็นความสัมผัสของจริงเป็นการสัมผัสชื่อของจริงชื่อว่าทนทําขั้นนี้มีชื่อว่าอย่างนั้นสมาธิขั้นนี้มีชื่ออย่างนั้นแต่ตัวจริงยังไม่เจอเพียงแต่อ่านแต่ชื่อของมันจะเจอตัวจริงนี้ต้องไปปฏิบัติถึงจะได้เจอตัวจริงอีกทีหนึง่ง ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเรียนอย่างเดียวมาสอนก็จะสอนตามความรู้สึกนึกคิดว่าสมาธิแบบนี้เป็นอย่างนั้นนะสมาธิแบบนั้นเป็นแบบนี้สอนไปก็ไม่เคยเห็นของจริงแล้วจะไปพูดความจริงให้มันตรงกับความจริงได้อย่างไรก็จะสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกไปคนฟังเมื่อเราเอาไปปฏิบัติก็สับสนอสอนบอกแบบนี้บอกว่าจะได้แบบนี้แล้วทาไมไปได้แบบนั้นขึ้นมาก็จะทาให้เกิดความเสื่อมศรัทธา ในการศึกษาในการปฏิบัติได้ถ้าไปศึกษากับผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเพียงแต่ได้เรียนรู้จากการอ่านคำภีเพียงอย่างเดียวการอ่านคำภีอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ได้การจะเป็นครูอาจารย์นี้ต้องต้องปฏิบัติและบรรลุธรรมขั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญา ต้องบรรลุต้องเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงถึงจะสามารถมาสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยําไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี่นี่คือเรื่องของการทําบุญกับศาสน า, ศ า, ศาให้เราทําบุญเพื่อสนับสนุนการผลิตพระอริยบุคคลรเราต้องการพระอริยบุคคล พระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เพราะท่านเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะสืบทอดศาสนาได้อย่างถูกต้องแม่นยําถ้าไม่มีพระระยะบุคคลแล้วเรียนจากพระไตรปิฎกอย่างเดียวนี้เดี๋ยวสับสนได้เพราะภาษามันก็เปลี่ยนไปตามเวลาคําหมายของภาษาก็จะเปลี่ยนไป อ่านแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดได้ต้องมีคนที่ได้รู้จริงเห็นจริงมาคอยสังคายนาพระไตรปิฎกอยู่เรื่อยๆว่าภาษาคําค<ำ>ําหมายคํานี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะต้องมาเปลี่ยนคํําคานี้ใหม่ให้มันต้องให้มันตรงกับคนสมัยนี้เขาเข้าใจคํําคานี้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ต้องมีการชําระอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปภาษาของพวกเราก็เปลี่ยนไปใช่ไหมสมัยเขาของเราก็สมัยพ่อรามคุนแหงนี่เป็นคนละเรื่องเลยสมัยพ่อรามพูดมึงกูได้เนื้อสมัยนี้พูดมุงกูไม่ได้ใช่แล้ะกลายเป็นคำหยาบไปใช่แล้วอันี้ก็ ถ้าไม่มีพระระยะบุคคลมาคอยชำระมาคอยบอกว่าความเป็นจริงที่ถูกต้องเป็นยังไงต่อไปก็จะไม่มีที่พึ่งคนที่จะอ่านพระไตรปิฎกได้ได้ประโยชน์ก็จะมีน้อยมากต้องคนฉลาดจริงๆคนที่สามารถแยกแยะหรือหรือพิจารณาให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรแต่ถ้าคนไม่ฉลาดนี้อาจจะอ่านแล้วงงแล้วก็จะเกิดความสับสนแลปฏิบัติไปก็ไม่ได้รับผลอ่ นี่คือถ้าเราอยากจะทําบุญกับศาสนาขอให้ทํามุ่งไปในการผลิตพระอริยะบุคคลการจะผลิตพระอริยะบุคคลก็ต้องสนับสนุนพระอริยะบุคคลที่มีอยู่ตอนนี้ให้ท่านมีวัดที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่ท่านจะได้มีนักศึกษานักเรียนมาศึกษามาปฏิบัติกับท่านแล้วพอได้ศึกษาปฏิบัติกับท่านเขาก็จะได้ ได้ปบรรลุธรรมต่อไปเมื่อเขาบรรลุเขาก็จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้เป็นครูอาจารย์สั่งสอนธรรมะต่อไปได้อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการทําบุญในระดับเปลือกอยังไม่ได้พูดถึงระดับเนื้อระดับเนื้อนี่ก็ต้องศึกษาลึกเข้าไปอีกขั้นบุญแล้วก็มีขั้นศีลขั้นศีลแล้วก็มีขั้นภาวนาตามลําดับต่อไปซึ่งก็คงจะคิดว่าไม่พอแก่เวลาสําหรับวันนี้ พอเวลาก็หมดพอดีก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปเลนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปัจิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิิจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชานตุสัพพารุโควินัศสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาทานสีริตะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้ก็มาเท่าไหร่ วันนี้ทาง f a c e b o o สาม2้อยยี่สิบสองยูทูบสามร้อยห้าวิทยุออนไลน์สี่สิบสี่รับฟังบนข่าวห้าสิบห้ารวมเจ็ดร้อยี่สิบหกค่ะวันนี้วิทยุออนไลน์ขึ้นสูงสุดค่ะพระอาจารย์ที่สี่สิบสี่ค่ะสี่เปลี่ยนโปรแกรมใหม่เลยค่ะอย่างโปรแกรมเก่าอย่างใหม่แล้วนะใช้โปรแกรมเดิมใช่โปรแกรมใหม่โปรแก ร, ร, แกรมใหม่รู้สึกว่าจะสะเทืนกว่าเนาะปัญหาน้อยกว่า ตอนนี้ค้าโปรแกรมใหม่แล้วฮะแต่44คนนี้ยังเป็นโปรแกรมเก่าอีโอโปรแกรมเก่าเลยเราเราลันขนาดยังไปอีกบางทดสอบดูเลยถ้าใช้วิทยุมันก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากไม่ต้องใช้ความเร็วสูงก็ได้ออวิทยุใช้ใช้เนื้อที่น้อยกว่าใช้ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเน็ตขาดๆเกินๆ ก, ก็เข้าฟังฟังแต่เสียงอย่างเดียวถ้ามีภาพแล้วมันสะดุดอยู่เรื่อยๆก็ฟังเสียงเข้าไปทางเน็ตได้เข้าไปในทางวิทยุเข้าไปที่ www. p ระ s ุชาติ .com แล้วก็มีวิทยุเปิดฟังได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนสายกระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ระวังลูกไปเล่นนู่นน่ะเป็นดิงแล้วเนะไปดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอ่ามีคำถามทางบ้านไหมมีเจค่นะเชิญคำถามสกุลอนณวัตถ่าบวชเป็นพระแล้วก่อนนอนตอนกลางคืนกินยานอนหลับได้หรือเปล่าครับ ได้ถ้ากินยาเป็นยาก็กินได้แต่ถ้ากินเพราะว่านอนไม่หลับนี้เป็นพระส่วนใหญ่จะไม่กินยากันน่ะจะใช้วิธีภาวนาดีกว่าเพราะยากินแล้วมันจะติดนะแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงได้ให้ให้ใหพึ่งตัวเองดีกว่าวเวลาจะนอนไม่หลับก็ให้ภาวนาพุทโธไปหรือดูลมหายใจไป สาเหตุที่นอนไม่หลับก็เพราะคิดมากนั่นเองคิดไม่หยุดพอคิดไม่หยุดจิตมันก็มันก็ไม่สงบพอไม่สงบมันก็นอนไม่หลับดันั้นเราต้องใช้การภาวนาแทนพุทโธพุทโธพุทโธไปเพื่อให้เราอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็หลับครอกพุทโธไปก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้แล้วจะปลอดภัยจากสารต่างๆที่ ได้จากยาแล้วไม่ต้องพึ่งยาไปอยู่ที่ไหนไม่มียาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีไม่มีปัญหาอะไรถ้ากินแล้วมันจะติดมันจะติดยาต้องกินอยู่เรื่อยๆพอขาดยาปุ๊บก็จะนอนไม่หลับอยู่ดีดังนั้นการกินยานี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมั <c oughs> เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเป็นการแก้ชั่วคราวแล้วก็เป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาทาให้เป็นคนติดยาไป ต้องกังวลกับเรื่องการคอยดูว่ายานนอนหลับหมดหรื อ, อยังมีเดี๋ยวขาดเมื่อไหร่ก็จะเครียดขึ้นมาเมราะนั้นงั้นมาแก้ปัญหาที่จุดดีกว่าคือความคิดของเราเราคิดมากวิตกกังวลมากห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้มากพอเวลานอนมันก็ยังไม่ยอมหยุดคิดนะงั้นเราต้องฝึกสติเพื่อคอยควบคุมหยุดความคิดกันจะดีกว่า ต้องฝึกบ่อยๆไม่ใช่พอถึงเวลานอนจะมาทำํทำทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเคยคิดมันก็จะคิดมันจะไม่ยอมพุโทโธมันจะไม่ยอมดูลมหายใจนะต้องพยายามทําบ่อยๆช่วงที่เรายัางไม่ได้เข้านอนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราต้องฝึกสติแล้วถ้าเวลาไหนาที่ทําอะไรไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปหรือคอยควบคุมให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่น แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมีสติมีกำลังที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เวลานอนหลับนี่ไม่ถึงนาทีหลับละหั ว, หวถึงหมอนแป่เดี๋ยว ไ, วไปมันไม่มีความคิดนี่ ม, มันหลับเร็วกันมีอีกไหมคาถามคำถามสัมกท่านเดียวกันถ้าพนักงานโกงเงินบริษัทไปถ้าแจ้งความให้ตำรวจจับจะบาปหรือเปล่าครับ ไม่บาปหรอกก็เป็นการพูดความจริงถ้าถ้าแจ้งความเท็จก็บาปถ้าเขาไม่ได้ขโมยแล้วไปกล่าวหาเขาว่าเขาขโมยอย่างนี้ก็บาปถ้าเรายังไม่รู้จริงเราก็ต้องอย่าไปกล่าวหาเขาว่าเขาทําเพียงแต่ว่าสงสัยว่าเขาทําำขอให้ตารวจช่วยเชิญตัวเข้ามาตอบคําถามหน่อยว่าเขาขโมยไปหรือเปล่าแต่ถ้าไปแจ้งโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาขโมยไปหรือเปล่านี้ก็ถือว่า แจ้งความเท็จได้เมื่อเราไม่รู้ว่าเขาขโมยแล้วเราไปแจ้งความว่าเขาขโมยนี่มันก็ห้าสิบห้าสิบถ้าเขาขโมยก็มันก็ไม่บาปแต่ถ้าเขาไม่ได้ขโมยก็บาปที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสงสัยห้ามทำหลังเลยสงสัยอะไรแล้วอย่าทาถึงแม้จะถูกก็ไม่ให้ก็ก็ผิดอยู่ดีผิดตรงที่มันไม่แน่ใจดังนั้นก่อนที่เราจะไปกล่าวร้ายใครนี้เราต้องแน่ใจก่อน ว่าเขาผิดจริงถ้าไม่ผิดจริงอย่าเพิ่งไปกล่าวร้ายเขาดีกว่าคำถามจากคุณจินครับทำบุญมาผิดวิธีตลอดเลยครับทำความทาตามความเชื่อโดยไม่เข้าใจครับทำแล้วเสียดายทำไปแล้วจะได้บุญไหมครับถ้าเสียดายก็ไม่ได้บุญและเพราะบุญคือความสุขใจอยากจะได้คืนเสียดายทำแล้วต้องลืมไปเลยถือว่ายกให้เขาไปแล้วเป็นของเขาแล้ว จะจะไม่มีวันเสียดายถึงแม้ว่าจะคิดผิดก็อย่างน้อยก็ไม่มาเสียสองแดงเสียเงินไปแล้วไม่ต้องมาเสียใจยังได้บุญอยู่จากการที่เราเสียสละไปเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์ตามที่เราคิดเท่านั้นเองที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองนั้นก็อย่าไปเสียดายถ้าทําไปแล้วตัดสินใจให้แล้วก็ให้ไปเลยส่วนคนรับเขามาหลอกเราเราไปใช้อย่างอื่นก็ถือว่าเป็นบาปของเขาไปเราก็ยังได้บุญอยู่แล้วเราก็ ใช้เป็นบทเรียนมาต่อไปกับคนนี้เราทําบุญกับเขาไม่ได้แล้วเพราะไว้ใจไม่ได้เราก็ทําได้เท่านั้นเองค่ะคำถามจากคุณปรีดีตอนภาวนาพุทโธไปเรื่อยมักจะเคลิ้มหลับไปบ่อยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับจะแก้ไขอย่างไรอ๋อถ้าทําเพื่อหลับมันก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้าทําเพื่อความสง บ, บมันก็ไม่ถูกต้อง <laughs> ทำสมาธิก็เพื่อให้มันสงบให้ให้มันสว่างให้มันตื่นแต่ถ้าทําให้มันหลับมันก็ชนะไม่ถูกต้องแต่ถ้าอยากจะใช้ปัญญานอนหลับก็ถูกต้องถ้านอนไม่หลับก็ทําสมาธิแบบนี้ไปรีกว่ากินยานอนหลับคําถามจากคุณนัทนรินเล่นหวยใต้ดินนี้ผิดศีลกรรมบทสิบใช่ไหมครับและลอตเตอรี่ผิดศีลไหมครับก็อยู่ว่าเราเล่นแบบไหนไง ถ้าเราคิดว่าเล่นแบบลงทุนมันก็ไม่ผิดเนี่ยเจนเราซื้อของมาแล้วซื้อมาขายอย่างงี้ทีนี้บางทขงีของที่เราซื้อมาวันนี้มันราคามันตกปุ๊บมันเหลือค่สูนนี้ก็ถ้าซื้อแบบนี้มันก็ยังเป็นการซื้อขายเป็นการลงทุนอยู่แต่ถ้าเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไรซื้อคิดว่าซื้อแล้วมันจะต้องได้กาไรอย่างเงี้แล้วพอมันไม่ได้มันก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะขาดทุนได้ เห็นถ้าเล่นแบบการพนันนี้ก็จะทางแบบการพนันก็เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันแ้าคิดว่าเป็นการลงทุนเนะลัตเตอรี่มันก็มีมีผลตอบแทนสูงใช่หไหมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้หลายได้หลายล้านกระซื้อแล้วก็อย่าไปเก่งเอะไรมันซื้อไปแล้วแบบเหมนกระซื้อลงทุนไปถ้าถูกก็ถูก ถ้าขาดทุนต่อไปก็เลิกเล่นเข้าใจไหมไม่ใช่ให้เล่นขาดทุนแล้วไปเล่นทําไมถ้าทํามาค้าขายแล้วขาดทุนขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วขาดทุนก็ปิดร้านไม่ดีกว่า mm hmm. ใช่ไหมถ้าเราจะลงทุนจะจะลงทุนด้วยการเล่นลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ก็ทําได้แต่เราต้องรู้ว่ากําไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็เลิกเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่บาไม่ไม่เป็นอบา ย, ยามุถือว่าเป็นการทํามาค้าขายแบบหนึ่ง แต่เมื่รู้ว่าขาดทุนก็ควรจะเลิกไม่ใช่เล่นไปเรื่อยๆทั้งๆที่ขาดทุนเนอย่างนี้จะหมดเนื้อหมดตัวได้ที่ท่านไม่ให้เล่นแบบนี้เพราะกลัวจะหมดเนื้อหมดตัวแต่ถ้าเล่นแล้วกำไรทางทุกงวดถูกทุกงวดก็แางวันนี้ไม่ห้าอ่ามันได้กําไรเนี่ยใช่ไหอแต่ถ้าขาดทุนแล้วก็ให้เลิกให้คนที่เขา ก, กาไรเล่นดีกว่าะคนที่ขาดทุนอย่าไปทําอย่าไปเล่นไปทําอาชีพอื่นดีกว่าไปซื้อของอย่างอื่นขายดีกว่า คำถามจากคุณชุติมาจะดูว่าการปฏิบัติเก้าวหน้าหรือไม่เช่นการไม่ไปเที่ยวไหนการกินอยู่ง่ายสองมือก็เพียงพอการแต่งตัวเท่าที่มีไม่แสวงหาใจสงบมากขึ้นคือนิ่งไม่คิดส่งออกคิดขึ้นมาก็รู้ทันเร็วขึ้นและหยุดได้บางขณะมีบ้างที่อารมณ์สั่นไหวรู้สึกได้ว่าไม่สงบอย่างนี้เป็นความก้าหน้าทางการปฏิบัติใช่หรือไม่เจ้าคะ เป็นการก้าวหน้าและเป็นการบอกเราว่าเรายังต้องมีงานทำอีกช่วนส่วนไหนที่ไม่สงบนั้นคือเป็นงานที่เราจะต้องมาทำต่อต้องทำให้มันสงบให้ไดก้กับทุกเรื่องทุกราวทุกเวลาถ้ายังเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ยังทำให้ใจเราไม่สงบก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านเราต้องมาทำข้อสอบตรงนั้นใหม่มาศึกษามาค้นหาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทาให้เราใจไม่สงบส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความอยากของเรานี้ แล้วถ้าเรายังละไม่ได้มันก็ยังไม่สงบหรือที่ละไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นเห็นเห็นพิษเห็นภัยของมันหรือเปล่าถ้าเราเห็นพิษเห็นภัยเราก็จะเลิกได้ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็อาจจะเลิกมันไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ปัญญาศึกษาคนหาหเจอว่ามันทุกอย่างที่เรายังยึดยังติดยังอยากได้อยู่นี่มันเป็นพิษเป็นภัยกับเรา เพียงแต่ว่าเราเห็นหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเห็นปั๊บทีต่อไปเราก็จะเลิกได้ใจเราก็จะไม่ไม่ไม่สัน่นไม่อะไรเวลาเจอสิ่งต่างๆ คำถามจะคุณพาพิมลหนูฝันว่ามีผู้หญิงข้างบ้านเขาแก่แล้วขอมาขอข้าวหนูกินหนูไม่ให้เขากินในฝันหนูรําคาญเขาด้วยแล้วหนูก็ไม่ให้เขากินเลยแต่พอตื่นขึ้นมาหนูก็นึกสงสารเขาแต่เขายังไม่ตายค่ะพอดีตอนเช้าหนูก็ใส่บาทก็ขออุทิศให้เขาด้วยไม่รู้เขาจะได้ส่วนนั้นหรือเปล่าเจ้าคะไม่ได้หรอกทาไมแม่เอาเข้าวไปใ้เขาเลยล่ะเขายังไม่ตายไปให้พระทาไมพระก็ เ, เหลือกินอยู่แล้ว ให้คนที่ไม่มีกินกับไม่ไปให้แล้วไปให้พระแล้วจะไปอุทิศบุญให้เขาเขากินบุญไม่ได้ตอนที่เขามีร่างกายเขาต้องกินอาหารนอกจากเวลาที่เขาไม่มีร่างกายนั่นแหะเขาถึงก็ต้องอาศาัยบุญเพียงอย่างเดียวยันถ้าถ้าเรารู้ว่าเ้ายังอยู่เราก็ไปซื้ออาหารให้เขาสิซื้อข้าวสารซื้ออะไรให้เขาทํามีอาหารทําทำอาหารกินเองก็ได้ถ้าไม่ไปซื้ออาหารสดให้เขาแล้วเราก็จะได้บุญ ทำกับพระก็ได้บุญทำกับคนแก่ก็ได้บุญเหมือนกันเพราะเป็นการเสียสละเหมือนกันบุญคือความสุขใจนี้เท่ากันไม่ว่าจะใครเป็นผู้รับ คำถามจากคุณยิงกี้ลูกเป็นห่วงาศาสนามากเพราะในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะได้รับข่าวสารที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามามากเช่นหลานของลูกและลูกๆของโยมเขามีความคิดว่าทําดีก็ดีแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าวัดและหลานพูดกับคนทั่วไปว่าเขาไม่มีาศาสนาซึ่งโยมจะเป็นห่วงและกังวลในเรื่องนี้มากเราควรสอนเขาอย่างไรคะเพราะเด็กรุ่นใหม่คิดแบบนี้อีกหน่อยาศาสนาจะ ค่อยเสื่อมและหายไปเจ้าค่ะเวลาสอนหรือเปิดธรรมพอเด็กๆได้ยินเขาจะสั่งให้ปิดทันทีเราควรจะค่อยแทรกเขายังไงให้เปลี่ยนความคิดที่เด็กเขาคิดไม่ดีกับศาสนาเจ้าค่ะเราก็สอนเขาเท่าที่เราสอนได้ใครที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็สอนให้เขามีความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อ เ, อเอผื่อแผ่มีความเมตตามีความสงสาร ให้ทุกข์ยากเดือดร้อนก็ควรที่จะช่วยเหลือกันถ้าพอที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วก็ให้สื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนกันเราอยู่ร่วมกันจะอยู่อย่างสันติสุขก็ต้องอยู่แบบมีศีลมีสัตว์ถ้าไม่มีศีลมีสัตว์เราก็จะอยู่แบบสัตว์เดลฉานก็สอนไปเท่าที่เราจะสอนได้ส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อนี้มันก็เป็นเรื่องของเขา คำถามจากคุณสุปราณีก่อนนอนลูกจะต้องเปิดธรรมะฟังก่อนนอนแล้วจะหลับบางครั้งเปิดฟังไม่เท่าไหร่ก็หลับแบบนี้ลูกจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะได้ยานอนหลับไงจะได้บุญอะไรลนะ่ะก็ฟังเทศเพื่อ น, นอนหลับการฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้แล้วเกิดล้วหลับมันจะมีความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากจะมีความรู้ต้องนึกตามนึกถึงธรรมที่เราได้ยินแล้วก็นึกภาพตามไปมันก็จะไม่หลับ วิธีจะไม่ให้หลับก็ต้องไม่นอนฟังต้องนั่งฟังถ้านอนฟังมันท่าสบายเดี๋ยวมันจะเคลิมหลับได้ง่ายงั้นการฟังธรรมนี้ถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยสติโน้มฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคำถามจากคุณเบสเป็นโรคแพนิคสามารถหายได้จากการรักษาด้วยการทำสมาธิไหมคะ ถ้าหนิกบ้าอะไรตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวใช่ไหมก็ได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของจิตใจนี้แก้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาเบื้องต้นก็สติง่ายที่สุดปัญญานี่ยากต้องฝึกจิตให้มีสติใช้กรรมบริกรรมพุทธเถิดดึงจิตให้รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆคนที่ไม่มีสติมักจะใจลอยมักจะปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องราวต่างๆแล้วก็เป็นบ้าไปกับความคิดนะ คิดถึงผีก็กลัวผีขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เจอผีเลยคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ชอบขึ้นมาก็ตกใจหวาดกลัวไปแล้วตอนนี้ไม่มีสติคอยควบคุมความคิดปล่อยให้มันคิดแล้วก็ไปหลงเชื่อกับความคิดที่คิดขึ้นมาเองตอนทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรความจริงนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีเป็นปกติอยู่แต่ในใจนี้เป็นบ้าไปแล้วคนบ้าเขาบ้าอย่างเนี้ยบ้าเพราะความคิดของเขาเขาไม่รู้จักรักษาความคิดระงับความคิด ปล่อยให้คิดแล้วก็หลงคิดไปแล้วก็หลงเชื่อตามความคิดที่คิดไปเะนั้นต้องมาฝึกสติหยุดความคิดต่างๆที่ไม่จำเป็นให้ใช้แต่ความคิดที่จำเป็นเท่านั้นคำถามสกุลสุ ม, มุนทาพ่อชอบอยู่วัดลูกเอาเรื่องไม่ดีไปพูดให้พ่อไม่สบายใจลูกจะบาปไหมคะแล้วเขาไม่สบายใจหรือเปล่าคือบาปมันไม่ความจริงมันไม่บาปแล้วเพราะว่า บาปมันต้องฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ได้ฆ่าพ่อไม่ได้โกหกพ่อไม่ได้ไปทำผิดศีลห้า น, นี้ก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอาเรื่องอกุศลไปให้ท่านต้องมาวุ่นวายกับเราไปเปล่าๆก็ไม่ควรไม่ควรที่จะเอาเรื่องที่ทำให้คนอื่นเขาวุ่นวายใจไปพูดให้เขาฟังนอกจากเขาถามเขาอยากจะรู้ก็บอกเขาไป แล้วเขาวุ่นวายที่นี้ก็เป็นเป็นโทษของเขาแล้วเขาวุ่นวายใจไปเองเราเป็นเพียงแต่บุรุษไปเสน่เอาข่าวสารมาให้เขาแต่ถ้าเราไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องข้างนอกมารบกวนคนที่อยู่ข้างในคนข้างในนี้ไม่ต้องการจะรับรู้เรื่องข้างนอกเราคนข้างนอกมาก็มาเยี่ยมเยียนเขามาสามสาวทุกขุกดิบกับเขาก็พอไม่ใช่เอาเรื่องแม่เรื่องคนนูน้นเรื่องคนนี้มาเล่าให้พ่อฟังแล้วพ่อก็ไม่สบายใจขึ้นมา นอกจากถ้าพ่อเขาอยากจะรู้ก็เป็นกรรมของพ่อกันละแต่อยากรู้ตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างอ๋อแม่ก็มีแฟนใหม่แล้ว mm hmm. เดี๋ยวนี้วุ่นวายใจขึ้นมาเลยคำถามจากคุณโรสเมื่อนั่งสมาธิได้ภาวนากับพุทโธตามลมหายใจแต่บางครั้งมันว่างๆไปเฉยๆแบบนี้มาถูกทางหรือ ย, ยังคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะคือว่างถ้ามันว่างต้องว่างแบบมีจติ ต้องว่างแล้วรู้ว่ามีอะไรคิดเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่างแป๊บเดียวเดี๋ยวเกิดมันผลิตอะไรขึ้นมาก็ปล่อยมันผลิตขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องให้มันว่างอย่างเดียวให้มันสงบอย่างเดียวไม่ให้มันผลิตอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆอะไรขึ้นมาหลอกใจถึงจะถูกดังนั้นต้องมีคอยสติคอยเฝ้าดูถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่ก็ควรจะพุโทโธต่อไป หรือถ้าดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจต่อไปจะปลอดภัยกว่ากว่าที่จะดูเฉยดูจิตเฉยๆเพราะเรเวลาดูเฉยๆนี่เราไม่รู้ว่าจิตมันจะไปทําอะไรหรือเปล่าแล้วพอมันทําเกิดผลขึ้นมาเราก็จะตกใจหรือจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดมาจากอะไรส่วนใหญ่มันก็เกิดจากจิตเราไปคิดผลิตปรปุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเอง เราต้องคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งดีกว่าถึงแม้มันจะว่างแล้วแต่ถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่ก็ควรจะพุทโธต่อไปหรือควรจะดูลมหายใจต่อไปจนกว่ามันนิ่งสนิทแล้วไม่มีการไม่มีการแสดงอะไรปรากฏขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องก็หยุดพุทโธได้หยุดดูลมหายใจได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยถูกยืมเงินไปจำนวนก้อนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไม่มีแล้วเขาจะฆ่าตัวตายลูกเลยบอกว่ายกหนี้ให้แต่ขออย่าให้ฆ่าตัวตายแบบนี้จะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกเพราะเขาฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราใช่เพียงแต่ว่าเขาเอาอุบายนี้มาหลอกเราท่านเองเพื่อให้เขาให้เรายกหนี้ให้เขา แต่การยกนี e ่ให้เขาเนี่ยเป็นบุญแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการข้าวข้าตัวตายหรือไม่ข้าตัวตายไม่เกี่ยวกันส่วนเราอยู่ที่เรื่องการที่เรายกยกยกนี่ให้เขาไปถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปส่วนเขาจะไปข้าตัวตายหรือไม่เราจะไปรู้เหรือเขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้ว่าเขาจะข้าตัวตายเพื่อที่ทำให้เราสงสารเขาแล้วเราจะได้ยกนี่ให้เขาไปเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ยกนี้ให้เขาเราก็ไม่ได้บุญท่านั้นเองไม่บาปแล้วเขาไปฆ่าตัวตายก็ไม่บาปอยู่มันไม่ใช่เรื่องของเราอะเขาเป็นคนไปสร้างหนี้ขึ้นมาเองแล้วเขาอยากจะไม่ยอมจ่ายหนี้ก็เลยไปฆ่าตัวตายมันก็เรื่องของเขาอะใช่ไหมเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาแล้วทาประโยชน์ให้เขาเราให้เขายืมเงินมันมันเป็นโทษต ร, ตรงไหนใช่ไหมแล้วเราขอทวงเงินคืนตามตามสัญญามันผิดตรงไห น, มนไม่ผิดะมันไม่เป็นบาปแต่อย่างใด เราไม่ยกนี้ให้เขาก็ไม่บาปเขาไปฆ่าตัวตายก็ไม่บาปการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าตัวตายเราไม่ได้บอกว่าถ้าเธอไม่คืนนี่เราเธอต้องไปฆ่าตัวตายนะองั้นเราก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่มีเงื่อนไขอย่างนั้นเธอไม่ฆ่าไม่คืนนี่ฉันก็ทวงของฉันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองใช่ไหมส่วนเธอจะไปฆ่าตัวตายมันก็เรื่องของเธอมันไม่เกี่ยวกันยันถึงแม้เราไม่ยกนี่แล้วไปเขาไปฆ่าตัวตายก็ไม่บาปคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาป แต่คนที่ไม่ยกนี่ให้เขานี่ไม่บาป เ, เป็นแต่ไม่ได้บุญนั่นเองก็ออยังยังต้องการเงินคืนอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าเงินยืมเป็นเหมือนเงินทําบุญไม่ได้คืนอยู่แล้วก็ยกให้เขาไปเป็นการทําบุญทําทานไปอย่างเนี้เราได้บุญตรงนี้ส่วนเขาจะไปฆ่าตัวตายต่อหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเราคําถามสักคุณกิติครั้งหนึ่งผมเคยไปภาวนาที่วัดแห่งหนึ่งหลายวัน ครั้งหนึ่งตอนนั้นเดินจงกรมค่อนข้างเยอะโดยใช้พุทโธพอจิตมันเริ่มขยับคิดก็มาพิจารณาร่างกายไปเดินไปมีอยู่จังหวะหนึ่งเกิดกายเบาจิตเบาแล้วคล้ายจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองปรากฏร่างกายที่กําลังพิจารณาเป็นซากศพสักพักกายนั่นก็ตายลงแล้วเกิดใหม่เป็นร่างทาโลกแล้วก็เน่าเปื่อยตายลงแล้วเกิดใหม่อีกสลับไปเรื่อยๆตอนนั้นกายเบาจิตเบาสบายมากอย่างบอกไม่ถูกและไม่เคยเป็นมาก่อ โดยภาพปรากฏในใจรวดเร็วและดูมเป็นเหมือนสติปัญญาผลิตขึ้นตอนนั้นจิตมีสมาธิอยู่3าถึงสวันแล้วมันก็เสื่อมลงปัญหาที่อยากถามพระอาจารย์คือสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาวะที่จิตยังขาดสมาธิและเผลอคิดไปเองใช่หรือไม่หรือเป็นปัญญาอย่างอ่อนๆครับก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาลมสมาธิก็ได้คือแทนที่จะใช้พุโทโธทำจิตให้สงบแล้วก็พิจารณาธรรมไป พิจารณาตายลักษณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องร่างกายก็ร่างกายก็เป็นตายลักพิจารณาเป็นตายลักษไปมันก็ทําให้จิตปล่อยวางจิตสงบได้<ม>ก็เป็นแบบ บ, ญบญญวรญยายนมสมาธิแต่มันยังไม่เป็นสมาธิแบบอัปปนาแบบรวม แบบรวมนี่ต้องไปเจอความจริงใกล้เจอเสือเจออะไรนี่รับพิจารณาอย่างนั้นอ่ะมันจะรวมมันจะเข้าไปลึกกว่าเพราะฉะนั้นมันกลัวจริงๆตอนนี้ยังยังไม่เจอเหตุการณ์จริงเพียงแต่นึกภาพว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้น<ม>ต้องไปรอเวลาเจอเสือเจออะไรเจอคนปืนโจนเอาปืนมาจ่อศรีรษะเราบอ เดี๋ยวจะข้าวมึงน ะ, ะถ้าตอนนั้นพิจารณาว่าร่างกายเดี๋ยวมันต้องตายยังไงเราปล่อยมันได้ตอนนั้นน่มันจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นมามันก็จะเป็นเพียงการนึกภาพไปมันก็สงบเหมือนกันแต่มันไม่สงบแบบอั ป, ปนามันไม่รวมเข้าไปแบบแยกใจกับร่างกายออกจากกันเลย แต่ถ้าเจอเหตุการณ์จริงเจอเสือเจอเหตุการณ์ที่จะคิดว่าทำให้เราต้องตายเนี่ยเราพิจารณาด้วยปัญญาล้วปล่อยวางร่างกายได้มันจะแยกออกจากกันอันนี้งั้นก็มีสองระดับระดับแบบทำการบ้านอันแบบนี้เรียกว่าทำการบ้านยังไม่เจอของจริงยังคิดไปก่อนต้องไปทดสอบของจริงดูไปหาที่มันน่าหวาดเสียหวาดกลัวจริงๆดู เราคิดว่าอาจจะมีภัยต่อชีวิตดูเราดูซิว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาได้หรือไม่ถ้าพิจารณาได้ปล่อยวางร่างกายได้จิตก็จะเข้าสู่สมาธิที่ลึกกว่าถึงขั้นแยกออกจากร่างกายไปเลยคำถามจากคุณชอบเพชรคนเราจําเป็นต้องเข้าฌานหรือไม่เจ้าคะก็ถ้าถามว่าจําเป็นแบบต้องหายใจหรือไม่ก็ไม่จําเป็นะ ถ้าต้องหายใจเนี่ยจำเป็นเพราะถ้าไม่หายใจก็ตายแต่คนเราจำเป็นจะต้องเข้าฌานหรือไม่ก็ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก <that> mm ็ต hmm. <quoi? S 1> ้องเข้ากันทุกคนนั่นเองแต่นี้ไม่ได้เข้ากันทุกคนก็ยังอยู่กันได้เป็งแต่ว่าอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์เท mm ่านั้นเองคนที่เข้าฌานเข้าฌานได้เขาจะอยู่แบบสุขมากกว่าทุกข์คนที่เข้าฌานไม่ได้จะอยู่แบบทุกข์มากกว่าสุข ก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการความสุขมากกว่าทุกคนก็ต้องเข้าฌานมันก็จำเป็นแต่ถ้าคุณพอใจกับก็อยู่แบบทุกมากกว่าสุขคุณก็ไม่ต้องเข้าฌานก็ได้เอาถามมาอย่างนี้ก็ต้องตอบอย่างนี้คำถามคุณจิรภาปวดหลังปวดขาเป็นโรคเวรกรรมใหม่คะก็โรคเกิดแก่เจ็บตายไงก็เป็นเวนกรรมอย่างหนึง่งที่เราไ่ กรรมมาเกิดนี่เพราะเรามีกรรมเราถึงกลับมาเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่อยากจะเกิดก็หยุดทำกรรมเสียหยุดความอยากเสียพอหยุดความอยากไม่มีความอยากก็จะไม่ทำกรรมอะไรพอไม่ทำกรรมอะไรก็จะไม่กลับมาเกิดพอไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีการมาแก่มาเจ็บอย่างตอนนี้เห็นไหมนี่ก็นั่งแบบนี้แบบนั้นบ้างเพราะนั้นก็เจ็บ อตอคำถามจากคุณสุ ม, มนทาคนโกหกพระบาปมากไหมคะก็โกหกใครก็บาปเท่านั้นบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโกหกหรือโทษมันบาปมันมากหรือน้อยถ้าโกหกแล้วทำให้คนอื่นเขาเกิดรับโทษมากก็บาปมากถ้าโทษน้อยมันก็บาปน้อยแล้วคนโกหกได้ประโยชน์มากก็บาปมากได้ประโยชน์น้อยก็กโทษก็ก็บาปน้อย อยู่ที่ประโยชน์กับโทษผู้โกหกได้ประโยชน์มากก็บาปมากได้ประโยชน์น้อยท้าโกหกเราได้สิบล้านกับโกหกเราได้สิบบาทเนี่ยมันต่างกันบาปต่างกันะแล้วคนที่เสียหายสิบล้านกับสิบบาทก็ต่างกันไปโกหกเขาแล้วได้ได้เงินจากเขามาสิบล้านกลับไปโกหกอีกคนได้มาสิบบาทเนี่มันก็โทษมันก็มันก็บาปไม่เท่ากันคําถามจากคุณบุญเสริม ขอสอบถามครับปฏิบัติธรรมบนเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอ๋อต้องไปหาที่อื่นเพราะที่นี่มันเต็มนะ <c oughs> คำถามสศรุนเจ็ณีนีลูกขับรถไปฟังทำไปลูกทำผิดไหมคะหรือลูกควรจะขับรถอย่างเดียวคะ ถ้าอยากจะฝึกสติจริงๆคนจะทำอย่างเดียวดีกว่าอย่ากทำให้ใจเป็นสองเราต้องการทำใจให้เป็นหนึ่งใจถึงจะมีสติถึงจะเข้าสมาธิได้ต่อไปอย่นทําอะไรพยายามเพียงทาอย่างเดียวใจกับร่างกายควรจะทำไปพร้อมๆกัน ทำอย่างเดียวกันไม่ใช้ร่างกายขับรถใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ใจใจกับร่างกายไม่อยู่ร่วมกันใจต้องวิ่งกลับไปกลับมาเดี๋ยวกลับมาที่ขับรถเดี๋ยวกลับไปที่คนนั้นเดี๋ยวกลับไปเรื่องนั้นกลับไปกลับมาถ้าเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่มีวันสงบได้ไม่มีสติที่จะทําให้ใจนิ่งได้แต่ถ้าใจอยู่กับเรื่องเดียวมันก็จะไม่วิ่งไปวิ่งมาเวลาต้องการให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะอยู่กับเรื่องนั้นได้ เรีนทำอะไรคนจะทำอย่างเดียวดีกว่าขับรถก็มีสติอยู่าการขับรถไปเพียงอย่างเดียวแล้วผลจะดีกว่าด้วยจะปลอดภัยกว่าถ้ามีอันตรายก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีแต่ถ้าไปฟังอะไรนี้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมากระทันหันนี่แก้ไขไม่ทันหรือแก้ไขายแบบผิดแทนที่จะเหยียบเบรกกลับไปเหยียบคันเร่งซะอีกพอตกใจพอตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกกับไปเหยียบคันเร่งมันก็เลยวิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่ เนี่ยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผลอสติความประมาดด้วยพอไม่มีสติก็จะประมาดขับรถเร็วเกินคนแล้วเกินกว่าควรที่จะเป็นไปอยงนั้นต้องมีสติแล้วทุกอย่างมันจะจะปลอดภัยหมดเลยมีหลายคำถาม <สำ S 2> ถาม<ๆ>ไปเรื่อย คำถามสากคุณสิริพัฒนสอนลูกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธแต่บางครั้งไม่มีลมหายใจลูกต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ดูเฉยๆไปดูดูว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็ดูว่าใจคิดดูความคิดว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันถ้ามันไม่ยอมหยุดก็ใช้พุทโธหยุดมันไปถ้ามันไม่คิดก็ดูเฉยๆไป ดูความว่างไปรักษาความว่างไปให้จิตว่างๆเฉยๆอย่าให้มีอะไรปรากฏขึ้นมาคำถามจากชุนเชอรี่ <c oughs> ถ้านั่งสมาธิบริกรรมพุทโธแล้วรู้สึกว่าตัวเองเข้าสู่ผวังเกิดแสงสว่างจ้าดิฉันควรทําจิตอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ให้มีสติรับรู้เฉยๆไปแล้วไม่ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปให้มัน จะให้ใจนิ่งๆเฉยๆไปอย่ามีปฏิกิริยากับอะไรให้สักแต่ว่ารู้ไปคําถามจากคุณเจีย๊ยบปวดขาไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้ถ้าทําสมาธิโดยไม่ต้องนั่งขัดขาจิตจะสามารถเกิดเป็นสมาธิได้หรือไม่คะก็ได้เหมือนกันถ้ามันสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่สติเป็นหลักมากกว่าถ้ามีสติดีๆนั่งในท่าไหนาก็ได้ เพียแต่ว่ามันอาจจะนั่งไม่ได้นานเพราะถ้านั่งที่มันทำให้นั่งได้นานได้สบายก็คือท่านั่งขัดสมาธิถ้านั่งค่อยเท้านั่งอะไรตัวมันอาจเดี๋ยวเองไปหน่อยมันก็จะล้มได้แต่ถ้านั่งในท่าขัดสมาธินี้ถึงแม้จะเองไปมันจะไม่ล้มเพราะฐานฐานของที่นั่งมันกว้างเวลานั่งขัดสมาธินี่เราใช้ ใช้ขาใช้น่องของเราเป็นฐานของร่างกายนึง่งมาถึงเวลานั่งแล้วมันอาจจะเองไปซ้ายขวาบ้างมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้านั่งอย่างนี้นั่งค่อยเท้าพอเอ็นไปหน่อยเดี๋ยวมันพ mm hmm. ุ๊บลมไปเลยเสียหลักได้ยั้นถ้าอยากจะนั่งนานๆ น, า น, นี้ต้องหัดนั่งในข่าศาัสรมจะจะดีกว่าจะนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง คำถามสกุลจันทราวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อให้หยุดคิดหยุดปรุงแต่งไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามใช่ไหมครับใช่หยุดความคิดหยุดปรุงแต่งแล้วก็ต้องหยุดความอยากเพราะความความอยากมันตามมาตามมากับความคิดพอหยุดความคิดได้ก็แล้วถ้ายังก่อยความอยากอยู่ก็ต้องก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ด้วยเพราะตัวที่เป็นปัญหาจริงๆคือตัวความอยากไม่ใช่ตัวความคิด เแต่ตัวความคิดนี้เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดความอยากขึ้นมาเรือเราเต้องควบคุมความคิดถ้าไม่คิดมันก็จะไม่มันก็อยากอยากไม่ได้แต่ถ้าพอมันคิดปุ๊บนี่มันอยากมีอยากตามมาปุ๊บนี่ก็ต้องหยุดมันให้ได้การจะหยุดมันให้ได้ก็ต้องมีปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้อะไรเกิดขึ้นกับอะไร อะไรเกิดไม่ได้เกิดขึ้นกับอะไรส่วนใหญ่ใจจะไปตกใจกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของใจโดยตรงไปตกใจกับเรื่องของร่างกายของตนเองไปตกใจกับร่างกายของคนอื่นไปตกใจกับสมบัติเข้าของเงินทองเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี้มันไม่มีอะไรมาเกิดที่ใจได้เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งใจเพียงแต่ส่งกระแสการรับรู้มาเกาะที่ร่างกายแล้วมารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง แล้ว อ, อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดได้ที่ร่างกายเท่านั้นเองนี้ถ้าใจไม่มีปัญญาใจก็จะไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอมีอะไรจะมากระทบกับร่างกายใจก็จะเกิดความตกใจเกิดความกลัวเกิดความอยากอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ถ้ารู้ความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้มาเกิดขึ้นกับใจก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปก็รู้รู้เฉยๆไปได้แต่ว่ารู้ได้ แต่ถ้ายังไม่มีปัญญายังไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเองอยู่เป็นตนอยู่พอมีอะไรมากระทบกับร่างกายมันจะหยุดมันจะเฉยไม่ได้คำถามจากคุณจัตุพลแฟนผมเขาไม่ชอบเข้าวัดแต่ตัวผมชอบเข้าวัดโรควรบอกเขาอย่างไรครับก อ, อต่างคนต่างอยู่สิจะได้ไม่มีปัญหาการจะอยู่ร่วมกันแบบมีปัญหาน้อยที่สุดก็คือ ต้งสมหวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ต่างคนก็ต่างสั่งกินของใครของมันไปแต่ถ้าชอบวันไหนชอบเหมือนกันก็ชวนกันไปทําได้ถ้าไม่ชอบไปวัดเขาชอบไปเที่ยววันไหนเราอยากไปเที่ยวเราก็ชวนก็ไปเที่ยวได้แต่ถ้าเราไปชวนเขาไปวัดเดี๋ยวเขาจะโกรธเราได้เขาไมา่อยากไปแล้วเราไปดึงเข้าไป ยังก็อย่าไปขัดใจกันพูดง่ายๆอยู่ร่วมกันต้องประสานน้ำใจกันอย่าไปขัดใจกันอย่าไปเอาใจเราเพียงอย่างเดียวต้องคิดถึงใจเขาด้วยเราชอบแต่เขาไม่ชอบเวลาเขาต้องไปทำกับเราเขาไม่มีความสุขเรามีความสุขอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าเขาชอบเราก็ชอบไปทำร่วมกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเราต้องคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวต่ อ, อต่อไปจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่อะไร เดี๋ยวจะเกิดการแตกแยกกันขึ้นมาแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างยอมรับกันว่ามีส่วนเหมือนมีส่วนต่างเวลาที่จะต้องทำส่วนต่างก็ต่างคนก็ต่างทาไปใล้เวลาไปรับประทานอาหารก็ไม่ได้บังคับให้สั่งอาหารเหมือนกันใช่ไอมคนอยากจะกินอะไรก็สั่งไปผมอยากจะกินอะไรผมก็สั่งผมไปก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าบอกว่าต้องกินเหมือนกันนี่เดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้งั้นก็ต้องรู้จัก แยกแยะว่าอันไหนควรทำร่วมกันอันไหนไม่ควรทำร่วมกันแล้วก็จะอยู่กันไปได้นานคำถามสักคุณรงค์การบริการพุทโธเป็นสติปัฏฐานสี่ข้อไหนครับพุทธานุสตินยหนึ่งในังในอนุสติสิบเกรมฐานมีอยู่สี่สิบมีอนุสติสิบมีอสุภะสิบมีมีอะไรกระสินสิบแล้วก็มีอย่างอื่นอีกประมาณสิบข้อรวมกัน รวมทั้งหมดเป็นสี่สิบข้อด้วยกันพุทธานุสติก็คือพุทโธการระลึลกถึงพระพุทธเจ้าจะเลิกแบบการระลึลกถึงพวพุทธคุณก็ได้ด้วยการสวดบท พ, พระพุทธคุณไปก็เหมือนกันพุทธานุสติอิตติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธก็เรียกว่าเจริญพุทธานุสติธรมมานุสติก็สว่าขาโต สังคานุสติก็สุปฏิปันโนไปอนาปนาสติก็ดูลมหายใจไปกายากตาสติก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปมรรานุสติก็ลึกถึงความตายไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของอนุสติสิบด้วยกันหมดแล้วเลยวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาก็คิดว่าพอสมควร